พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องแปดแหล่งออกยอดภูตีสามเรียบเรียงใหม่จากตนฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปลียนทำหุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นาโม ทัดสะพาวโตอาระโตสัมมาสัมพุททัดสะตาตากระซาปสัมมาสัมพุทโธเกอุปปนโอะโหสิติ สาธาุดุรัสสปุริตาทั้งหลายทั้งยิง่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่นำนาตาตาในกาลนันดาพระพุทธทเจ้าตนจือกัสสะพะเกิดมาเป็นพระโพธิโลกคือปนโศกเป็นไัย เสด็จไปจะใจรอดเมืองใหญ่ปาราณสีเจ้าปุริมวลหมู่จมจื่นสู่เจดบ้านสร้างวิหารกว้างใหญ่ที่จิมไกปาราตกแต่งดาพร้อมแล้วก็ถทวายแก่แก้วสัพพัญญูคนไปจูไล่แลตั้งหูแผ่ฝังธรรมพ่องพระจำอยู่เฝ้า พ่องปอกตอเตาเฮือนตนจุ่มหมูค้นอ่านหมื่นเขาจมจืนเตตานพริกขานาใส่บาดบ่อได้ขาดวันใดตันตาวันใส่ บ, บจญญ่ายกอยกย้ายผันพายตั้งยิงใจมวนหมูเข้าไปสู่อารามแป้งใจงามผ่องแผว ขับสินแก้วเจียงจี้ฟังพระมูนียอดซอยไข่เกาถอยเตะสานาย้อมือสา่อมใบสาทูไข่เรื่องนั้นก็มีฮันแลนะนะสาโดจ้าส่วนอดุจ้าอดอเดาเศรษฐีเกา่าตกผ่านแอลขอต้านสอะสดิงไปรอดสาลาริมมักกตทางไต คนน้อยใหญ่เตียยกายก็หันใจเท่าแก่เข้ามาแวนศาลาถือบุปผาดอกไม้ดาแต่งไว้ดู ง, งามดางก่อทำต้านต่อว่าข้าเดบบอใส่ใจจักไปในหิวหอดิ่งมาจอดจอมกันขอไข่ปันบอกกาวเฮรู้ข่าวตามไร ส่วนวาใจผู้เทาก็บอกล่าตามมีวาจากเอาดวงดีดอกไม่ไปน้อมว้ผู้จาอย่างพระพุทธผ่านแผวรับศีลแล้วฟังธรรมดังกะตำบอกขาดบ่อฮือกาดไก่กานางอนชจาฟังแล้วใจฟองแผวใจบ้านจริงจาวานตันตอว่าค่าแด่พอใส่ใจ จนว่าไปถึงรอดยังเจ้ายอดสัพพัญญูขอถามดูหื้อขาว่าวิบาคาสังจาขานี่นาเมื่อก่อนย่อมบ่ห่อนขอตานเงินคำขานลายแลจ้างบ้าแพเลือลายตั้งวัวควายดำเผือกตั้งเข้าเปือกหลเยียบัตนี้เสียวอดเสียงบดเหรียนเกียงจูภาการ ตลวงตกผ่านบาดไม่ตุกอยากครนำนากรรมสังจามาตองไข ร, รู้สรองหันใสขอป่อไปน้อมไวพระบาทให้สับนญญวจ่่ยทาดูหื้อคาแลวปอกนาคืนมาไขขีญ่าเกาจีคาจักอยู่นี้ดาฟังแลยนะ ต้องสุดต่อใจจาราปู่เท่าฟังคำเล่าอนุญายินคุณนามีมากจริงออกปากว่าดีดีแล้วรีบนี้ก็พากออกไปจากศาลารีบไก่กาไตเตากันรอเจ้าสัพญญูก่อทำดูวิบาก ด, ดังดังหากฟันกำพระจอมทมหูแล้วก่อไข่ขอาอกแก้วเตสนา วัดูราอุปสักเหยผู้เทาบ่ใจวิบากเก่าปังหลังมาปะปังตอบตอนบ่ใจกำจัดก่อนตววตั้นหากเป็นกำมันจัดนี้หากจากจี้ป่าวายสองยิงใจนั่นโสดใจไรโหดเสมอกันบ่คืดพันแผ่กว้างบ่ก่อสร้างตางบุญบ่คุณพ่อแม่ คุณเท่าแก่ตานด้คุณว่าควายจังมาคุณเจ้าฟาราชาคุณเตว่าดาจวยกำคุณดินน้ำลมไฟคุณปัจจัยตั้งสีบ่อแจ้งทีตังวาด่าผ้าผายเจ้าคำเตียวตืบยำเฮือนแหงจ่ากำแข็งหยาบจ่า ห้องเอินดาโมมาเรียกหามาหลากดอยกําปากถอยนานําเมียบ่อําผัวกินผัวก็บินหลังตํายังกองทำเก่าเกือบ่อไฟเอื้อยําแยงยังเมียแป้งรวมห้องจะจมฟ้องเนื่องนั้นส่วนผัวมันนั้นเหล่ากินแต่เล่าไงแรง บุบตีแตงลาบซายังเสื้อพาซากุยบุบนำเวนำโมตีต้อยป่อให้โอเยนะปลโลบ่อน้อยเอาปากต่อยโมแกงหันกอกแข้งเรียราดเอาตีนาตกไก่เข้าของได้ตกเหี้บ่อสาะเขียงมห่า ตัวนางนันนาใบบอดบอ่หูรอดกองดีเข้าของมีเรียราดบ่หูกวาดปัดปัวเสือ้อผ้าผัวนุ่งใจเอาสูนใสของเมียนีละเสียกองเก่าเจนปู่เท่าจะสอนถึงเมื่อนอนยำคำบ่หูพัมตินหัวตามใจตัวปิกวายเตียนยอมไรน้รนำนา ตั้งสองขาเขาเขตเป็นพัวเพลเบียร์พายพิษกันลายนักแก่บ่เวนแว่ขึ้นวันมีเสียงนั้นเจ้าคำบ่กึดร่ำกิจาการหัวใจหานใบบ่เมียบ่มียอดขันตีหาสรีบ่ได้ย่อมห่อนไม่ป่าวายมีคำลายล้านโกดย่อมไร่โหดเขินใจบ่อยาจะเลยนาะ ชูราอุปาสะกะเหยผู้เท่าจุงไปเล่าปั น, นางอย่าใจจางเอาไม่แม่นใครได้เป็นดีดังเคยมีเมื่อก่อนอย่าผ่อนศีลธรรมกาญากรรมเป็นบาปวาจิยาบจันไรมโนหนหมนเศร้าติดแต่เก้าตวยมาจุงวางลาละไว้เปลี่ยนจิตใหม่แถมหนนกายเป็นคนผู้ใหม่ กึศนางไฟต่างบุญกึดหาคุณพ่อแม่คุณเท่าแก่อาจารย์แก้วสมปานผาเสดฮือบังเกิดสดสดีอันจุลีใส่เก่าไวจุเจ้าคืนวันแปลงใจมันจื่นจ้อยไค่เกาถอยกำไ่จากกำไดเป็นแก่นถูกตัดแม่นตามทำหูคบย้ำผัวขินอย่าดูบินลาสา ส่วนสามีกานั่นโสดอย่าไรอหอดดังอ่อนจุงไม้ถอนลาภาคเป็นเสียจากต่างวายทุกแงง่ายคาเจ้าจุงคืดเข้าตั้งดีมีขันตีย่าขาดย่าผาห ม, มัดมีแป้งย่าจะแข่งดาญ อ, อย่าต่อยมอตี่ให้จุงนี่ไก้ตางบาปกำกะยาบนา แล้วเร่งด้าดอกไม้วางใส่ไว้เดือคันหื้อผัวเมียมันตั้งกู่ยกขึ้นสูนเนือหัวขอสมมาคัวเขื่องใจอันบันไดบุปตีอย่าบอดีกำควางตกไตหลางแดนไก่ตั้งบมอให้ถ้วยจ้อนได้อย่าร่อนนานาจุงสมมาไข่เสียงอย่าบิดเบี้ยงเสียกำ อยู่ตามทําใจใจเตียงจกักใดเป็นดีเข้าของบีบอพรดังแต่ก่อนเบื่นมาบ่ายาจเจลินาโศปานาะส่วนใจจะราบผู้เทา่าฟังรำพระเจ้าบูมุนีกอลานีปิกปอกมาไขาบอกขีญยาแก่อโนจาหยอดซอย <c oughs> ว่าดูระนางหน่อน้อยคนผ่านพระจินนามันเป็นเจ้าใดบอกเล่าปันมาว่านางอนาถาตกยากบ่แม่นวิบากปังหลังมาป้าปังตอบท้ายบ่ใจขอไรเบียนขี้หากเป็นกรรมบ่ดีจัดนี้มาจากจีป้าเป็นได้เครื่องเข็นมนต์เศร้า ย้อนสู่เจ้าผัวเบียนีละเสียแบบเบารอยริดเก่ากองทาพิดนาน้ำหลาหลากพระพุทธเจ้าหากใครมากันส่สองขาโนุมเดาไขมังเต้าเป็นดีเข้าของมีดังก่อนจุงยุดย่อนตัางวายรีบพงควายก่อสร้างแต่ตาตั้งตั้งดี ดังพระโมดีสอนสั่งเตียงจักมั่งมีมาใจจาระแก่เทาก็ตันเหล่าใค่ค า, านแก่นา่งผ่านอยากไรออเออแจ้งไข่จูอันอันแล้วพายพันไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนเกาะมีหันและนาะ ส่วนนางเอโดจ้าอดดาฟังคำเล่าไขาฟันมีใจตันกับกีบดังเปื้นนีกับฝามีโซกาไม่มาทำตาญาติไหลปังกึ้นตั้งหลังหลวงแล้วอบอกกาดแกอตามคำใดพิดนำลายหลากนางรีพากไก่กาจากศาลาตีจอดกันไปรอดเรือนตน เรร่นปัดกวาดเธอสะอาดวันไวเครื่องขวัวได้เหลือข้างเอามาลังคัดสีแป้งใจดีจมื่นก้อยยกยืนวังตำเ <c oughs> ยี้ยตามกำตันบอกก้อยเข้าออกเตี่ยวเฮือนบอกเฮือเพื่อนสะนันบอกเฮือสันค้อนไหวแล้วเร็วไหวซอไซหาดอกไม้ลายสี แต่งดาดีจูเนยรงแล้วเอาเคื่องขวานอนคือสุดหมอนเสื่อสาตั้งถ้วยถาดโอ้ไห้ตั้งขวใบแผ่นผ้าตั้งเปียดสาบุงโกยตั้งนำบวยจรนปากตั้งคกสากรเกลืออันมีเหลือเคิือนข้างพ่องแตกมั่งเพทาเก็บเอามามวนหมูพร้อมน่าอยู่เร็วปัน โยกยังขันดอกไม้นอบน้อมไว้วันตาขอขามาละโตดขอได้โพดวังตั้มเย่ตามคำปูเทาได้บอกเล่าจูพักการก็มีฮันแลนะ <c oughs> อาธานในกาละนันโจตีลาเศรษฐีใบบอดผัวนางยอดอโดจ่าจาเกหาตีอยู่หอกไปสู่แดนไก่ ขอกินไปจะใจนับอ่านใดหลายวันมีใจพันเกิดรอดคดิงสอดเฮือนตนก็อเตี้ยวหนปอกไว้ปิกหน้าอ่อยขึ้นมาหันเกาหาหลังกว้างบดใส่สว่างดูดีเขาของมีม้วนหมู่ตั้งกองอยู่กลางหอหันสอบอนนอไทยนั่งน้อมว้ปู่จ้า มันสังกบาบ่อน้อยจริงตานถอยกำไปว่าอีจันไรถอยจ้ามึงเป็นบาจะรือ้อนั่ง อ, อือเกาอูอยู่แต่ผู้เดียวได้เอก อ, องลายาเกาเกล้ตั้งผ้าเสือ้อขั่วใบตั้งหม้อให้คกสากตั้งถวยปากก๊อกแขงตั้งหม้อแกงหวานจ้นเก็บมาคอนกองกัน แล้วย่อขันน้อมใบหากบอดใจกองดีเราเครื่องเขียนยิงล้ำป้อยเนี้ยซ้ำทมนาเนี้ยขึ้นจ่าล้ำกว่าฝ้าเตียงผามึงตายหรือผีพายเข้าใส่ตกแต่งใจจำใจจุงเรียวไว้คนออกไปไปนอกเรียวพันกูจักฟันฝักฟาดเสียงขาดบัดเดียวบอยาจะแลนะ ที่นั่นเออโดนเจ้าโดนเนาฟังคำเจ้าผัวควันแปลงใจมั้นจีนจอยไข่กาวถอยกำหวานไขอาการบอกเราตั้งแต่เก้าถึงไปด้วยปาริยัยทวนที่บ่มีตีสังกาว่าคาแดสามิกาเป็นเจ้าข้าหนองเนาเตี้ยวไปสู่หนไก่หิวหอด จิงเขาจอดสาลาหันลุงตาผู้เท่าเตี้วไต่เาตาเ่ามากกยตั้งยิงใจใหญ่น้อยไปเป็นท้อยไหลลม้มข้าก็ทำยังปู่ว่าจากไปสู่แดนได้ปู่ก็ไขรฮือหูว่าจากไปสู่กูดีแห่งพระมูนีตีไว้เปื่อเข้าไก้ฟังธรรม น้องไข่กมต้านต่อว่ากันตนป่อไปจูถึงสับ ป, ปัญญูผ่านแถวเสร็จเมียนแล้วกิจการขอทุนสารโอกาส <c oughs> ไว้พระบาทองค์คำถามยังกมแห่งคาอันถอยจ่าเข็นใจเป็นกาไหนปางก่อนมาไหลตอนตัวต่ำหรือเป็นกรมจากนี้ มาจองจี้ปาเป็นจริงเครื่องเข็นอยากไร้ร้อนเอาไม่นำนากันพระพุทธใครกล่าวให้รูข่าวสันได้หอมาใครบอกคาจักอยู่ท่าดาฟังแล้วเท่าทับยังเท่ารับยังกำคากรีบกว่าไปปัน แลออกพายพันออกเต้ามาบอกเล่าขีญาว่าพระพุทธที่ไวใดก่าไว้สัด จ, จังว่าบ่อใจกำหลังฟังก่อนมาไหลตอนตัวตั้มแม่นเป็นกรรมจัดนี้มาจองกี้นำปาเหตุเราราพี่น้องพิษจากของกองทม มีดนาดนำลายแลหักแม่นแต่จูพาการจริงผ่านกันอยากตกลำบากเครื่องขี้พระบุนีบอกไว้ว่าคือใดสมมายังของดานาะมวนหมู่อันมีอยู่ในเฮือนเปลี่ยนจิตเหมือนเกิดใหม่อย่าเข้าใกล้ตั้งเสีย หัวและเบียรวมหอ้องเฮอแม่นจ้องกองตัองอย่าสว่างริดเก่าเจนปูเท่าสอนไขจ้ากำได้จินจอยเืออ่อนอ้อยวอนหูกำมึงกูอย่าว่ากำห ย, ยาจ้าอยาจ้ากำหมูมาอย่ากาวอยาโคดเท้าจะแข่งอยาฟันแตงเสือ้อผ้า อย่าบุบสติให้เฮือมีใจแผ่กว้างมันก่อสร้างตั้งดีจักมั่งมีเตียงเต้าเป็นดังเก่าเดิมอ่อนเท้าผมปอนกล่าวแล้วก่อกาดแก้อกไปปันน้องหันตันเตียงแต่แม่นตันแกจะใครจริงเร็วไวมาสู่ ยังทีอยู่เราราเรียบแต่งดาขันดอกยกของออกมาําเนี้ยตามกำตันที่กับกันแม่นตีกองตางกำมองมางแต่ก่อนเตียงไม้ผ่อนสูญหายจักกับกายเตียงเต้าเป็นดังเข่าเดิมตีบ่อใจผีเข้าคา บ่อใจบาเมาลมคออุดมเจ้าปีหูแจ้งทีตามคำแดเตอรทีนั่นโจตีลาเศรษฐีหนุ่มเนาฟังกําเล่าอโนจามีโสกามัดไม่เหยือย่อยไข่ตั้งตัว มีความกลัวหลายแหล่กึดใจแพ้หันตันว่าอยู่ตั้งวันเมื่อก่อนแม่นเป็นตนคนตายเกิดมาได้ฟังเป่าบอกกึดเล่าตั้งดีนักป่าทาวีแผ่นลาได้หยาบจะทำกายเป็นกรรมอยาบไรตวยตอบายต่อจนฮือตารนกันอยากตุกลำบากเครื่องชี โจติลาเศรษฐีกุดใดกอน้อมใบสมมายังของน า, นา้าผ่ำผอมเขารบน้อมไข่กัมย่าเป็นกัมย่าปรายติดตอบสายตัวไปดังกัมไขบอกเล่าแห่งนางนอนเอาอนุอนจก้กกอมีหันเลยนะ ตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปไป้ายนาสองกำผ้าผูวเมียนีละเสียตั้งบาปบอกกาหยาบมัวดำอยู่ตามทำบ่ขาดบ่พาะามัดละสาผู้เมียจ่าจืนจ้อยผัวเก่ า, าวทอยกำไ ย, ยบ่นีไกแบบเป้ารอยรียดเก่ากองดี บอรวีติดาบอทำขาฟันแตงหูยำแยงนบหนอบริบบจอบคืนวันผู้จากันถูกทวนต่างอูมวนจาวานแปลงใจบ้านจมชื่นอยู่ระรื่นใจจมบอจะคมดายอบอต่อยป้อบอต่อยป้อโอไห้มีใจใสสะอาดละเว้นขาดปาปกกัม เตียวตามทำใจรักษาสินไว้กับตัวบ่เม่ามัวบาปเศร้าทุกคำเจ้ากระทำดีเขาของมีเตือนน้อยเงินคำก้อยมีลายตั้งว่าควายจังมาอันนี่กว่าเดิมอ้อนกอเทียวจอนปอกเต้าอายน้าเข้ามาหาปลาลูกมาเป็นหมูมาสะสูนานำ ตั้งเงินคำบาไตอันฝังไว้หนี่หายก็พันภายปอกเต้ามาตีเก่าเต็มตันผัวเมียหันจมจื่นปีตีตืน่นเจานเริงหือตานบอขาดบ่อภามาตั้งสิ้นเป็นอาจินจ้าใจบ่อโศกไหมเครื่องขี่เขาของมีมากเต้ามากกว่าเก่าทมทอ ง, ทอง เงินคำกองลายแลเต็มจูแงอาณาคนนํานาม้วนหมูปอเก่าอัจฉริยก็มีหั่นเลยนะอันว่าโจตีลาเศรษฐีบุญใหญ่กับแกอแก่นไทยอาโนจามีผูกกามักเต้ายิ่งกว่าเก่าลายปูนย้อนว่าบุญสงยู่ คือได้หยดใจบ้านบ่อปอนานแต่เหล่าแปดแหล่งเก่าเฮือนหลวงคนปันปวงตัวนาเรียรียกร้องว่ากาแลก็พันแพ่ดูลากพอแต่หากกวนอา ม, อามปงใบางามซอยร้อยคนได้คอยเล่งหันก่ออัศจรรย์จูผู้ ว่าบ่อเคยหัวหันมีรอยปันปีแต่ก่อนก็บองหอนหันมาไผบ่อจ่าเล่าบอกว่ากาดและออกเป็นใบเขาหรือไปสาสาวพับไว่ดาวปุรีว่าเฮือนเศรทีออกยอดกวนไปต่อตาดูเขามาจูพอกก้อยตั้งใหญ่น้อยนิ่งใจมาเป็นสายเป็นเส้นบ่อได้เว้นบันไดงลนะ สเปจนาอันว่าคนตั้งหลายมวลมากร้องออกปากอัดจัรจั์เขาจากกันน้อยใหญ่ว่าเศรษฐีไม่สองหนญาำเมื่อจนก็จนลายแลแอวพัดแพร่ขอต้านตกมองผ่านคำเจ้าร้อนไม่เอาเครื่องขี่ขยาำเมื่อมีก็มีมากกว้าง บ่ออัจอ่างกาณาของไหลมาเติมแทงป่อแปดแหล่งเป็นใบข่าวหรือไปสาเาถึงตันเต้าทรงเมืองเ <c oughs> ต้าบนเรืองหูแลออกก่อเฮืออามาดแก้วต่างตานำบัตฐาเสื้อผ้าตั้งเครื่องงาอาลังการจ้างไปสานมามิ่งแก้วแวนดิ้งเงินคำ มีนานำลายหมื่นไปยกยืนแถมสรีหื้อโจติละเศรษฐีแถมเหล่าหื้อมาเ้าเลือลายก็มีฮั่นและนะตาตาในกาละนั้นเหล่ายังมีเศรษฐีเ ท, ท่าอาธรรมตันหาหนำหลกใหญ่มันไขได้กาแลลอันพันแพ้ติดงอก ปงใบออกเรื่องไรมันเร็วไวไปสู่ยังตีอยู่โจตีละเศรษฐีเก่าคำดีตันเล่าว่าแปดแหล่งเจ้ามีใบข่าวลือไปตัวนาตัวแห่งข้าก้องหันจริงภายพันมาพอหฮือแจ้งต่อสายตาบั ด, ดนี่นาขาเท่า ก็โหูก้าอตามรายว่านกตั้งหลายน้อยใหญ่กาบลูกไม่ปรามาละคำกาไหว้หันหน่วยไม่นั่นกลายเป็นน้ำฝนเย็นตกใส่ก็องอกได้เป็นใบหรือเหือใครไม่แห้งอยู่หลายแหล่วาสาเหตุขี้มาขาดาังเกิดเคลื่อนข้างมานาน สายลมพานหน่วยไม่มาตกใส่จอมกันก็แผ่พันติดออกตั้งต้นออกเป็นใบยอยู่ที่ไก่และพอเหมือนเป็นนกกาแล่เงืดหนักแกแต่เหล่ากันเฮาเข้าไปหาหันกับตาแจ้งทีบอแม่นตีกวนอ้ามเคยหันตามต่อไม้ไฟบูไม่พอดำ ไม่ให้คำตนน้อยป่งซอยลอยบนต่อตามใจขอแห่งคาบ่ใจว่าเป็นบุญจักมาหนุนเตืมแทงเ่อแปดแหล่งมีใบค า, าขอไขเก่าจี้ว่าแบ่นตีตึงมีผู้เศรษฐีผู้เท่าก่อตันเล่าลายผาการ แล้วจะวานต้านต่อเพื่อจุหล่อจติละเสรธจทืเอยินดีโจกใหม่หือเอาใหม่คอนเฟืรนว่ากาแลเฮือนแห่งข้าหากมีกานำนาเป็นคำขาตั้งแต่งงามจุแห่งเรื่องไรวันณะใส่ผ่องแผ้วผัดดับแก้วควนเมือง ดูรุงเรืองจุเมื่อบ่อเก่าเกลือพันแพ่ส่วนกาและแห่งเจ้าเป็นไม่เก่าผู้ฟังเอาใจสั่งบ่อใดเต้าเอาไว้แปงลัวพอดำมัวเก่าเกลือบ่อเป็นตีเอื้อเจยจมพอบ่อสมเฮือนกว้างเฮือนเจ้าจังเศรษฐีกวรเอาหนียกออก คือปอนขอเกาหาข้าสมมณัจจาแต่เหล่าย่มเมื่อเจ้าเป็นดีเป็นเศรษฐียศใหญ่กวรเปลี่ยนใหม่กาแลอันบ่อแพรเก่าเกือพอจูเมื่อเรื่องไรแ่นมีใจใครได้กาแลใหม่คำแดงมีกาแปงมื่นตือข้าจักฮือยอปัน เอาแหลกกันบ่อแทางตามปิมแปงกองทาแหลกต่อตำจู่ายบ่อพังไรไปใดเศรษฐีจันไรฟูเทาก่อตันเหล่านาะๆแลกก่อลาคืนสู่ยังที่อยู่เฮือนตนแล้วเววนปอกเต้ามาตาันเหล่าหลายวันก็มีวันนั้นและนะ เนธิตังขีญาสังวันนานาวิเศจาห้องเหตแปดแหล่งออกยอดผูกทวนสาม <c oughs> ลำดับตามแต่เก้าเมื่อปูเทาเศรษฐีหันเปินดีเลือกกว่าจักมาพาเพทา สันได้จ้าไข้หูจุงท่าอยู่ดาฟังก่อบังกุ้มสมร็ตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล